ศีลเพื่อเสริมความดีงามของชีวิตและสังคมหลักคำสอนในสินค้าละกะสูตรทั้งหมดพระอัฏถกถาจาร์กล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ให้เป็นขีหิวินัยคือวินัยของขรือหัดหรือศีลสำหรับชาวบ้านหรือศีลสำหรับประชาชนดังสาระาที่สรุปได้ดังนี้ หมวดที่หนึ่งปลอดความชั่วสิบสีประการกลุ่มที่หนึ่งลา ก, กัรรมมกิเลสข้อเสื่อมเสียของความประพฤติสี่อย่างได้แก่หนึ่งปานาติบาตสองอธินนาทานสาการเมสุมิชาจาร์ 4. มุสาวาทกลุ่มที่สองไม่กระทำบาปกรรมโดยสีสถาน คือไม่ทำกรรมชั่วด้วยลุกแก่ 1. จฉันทากติลำเอียงเพราะชอบ 2. โทสาคติลำเอียงเพราะชัง 3. โมหาคติลำเอียงเพราะเขา 4. พยาคติลำเอียงเพราะกลัวกลุ่มที่สไม่เสพอบายามุก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 คือ 1. ทานเพื่อแผ่แบ่งปัน 2. ปิยาวาจาพูดอย่างรักกัน 3. อัตถจริยาทำประโยชน์แก่เขา 4. ส, สมานัตตาเอาตัวเข้าสมาน